เ่อนฟังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสนนันนสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รนะคะบางคนเขาบอกว่าเหมือนยกวัดมาไว้ที่นี่เลยเพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมกันในรายการตั้งแต่ตอนต้นเมื่อสักครู่ที่ท่านมาร์คได้เสนอมาได้ฟังพุ้ทวจนะและต่อไปเนี่ยคะ่ะก็กำลังจะได้เหมือนกับไปสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดนะคะ ทานงทังทีอยู่ดรนทา น, นุแต่เราก็ยกมาไว้ที่นี่สําหรับท่านภับูรณ์หรือว่าพระภับูรณ์อภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหารค่ะกราวนมรสการค่ะทั้นคะเต็มพานค่ะวันนี้ยังมีคําถามที่ส่งมาถึงท่านภบูรณ์ทางเทวธรรมะ dot com slash หนึ่งศูนย์หกค้างอยู่อะค่ะใช่ <c oughs> คุณปรีดาวันคุณปรีดาวันอืยังขออ่านเต็มฉมบับเลยนะคะก็สั้นเพื่อนมองดิชันเป็นคนแปลกอืมเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อนสองคน คุยกันอยู่ก่อนแล้วว่าคนหนึ่งชื่อเก๋บอกว่าถ้าชาตินี้มีจริงขอเกิดอีกชาติหนึ่งส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออ้อเขาก็บอกว่าอ้อไม่ขอเกิดอีกแล้วอ้อก็หันมาถามดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจะเกิดอีกไหมดิฉันบอกว่าไม่ขอเกิดอีกแล้วเพราะว่าแม้แต่เวลาปวดท้องเข้าห้องน้ํายังเป็นทุกข์เลยใช่เพื่อนชื่อเก๋ก็ถามดิฉันว่าดิฉันเป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเขาก็หันมามองหน้าดิฉันว่า พูดอะไรแปลกๆคุณเก๋ก็ชักไม่มั่นใจจึงถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ว่าดิฉันแปลกไหมถ้าพูดกันอ่าตามตามนี้นะที่เขาบอกมีสามคนใช่ไัมสองคนบวชว่าไม่ต้องเกิดอีกก็ก็ดีอีกคนนึงบวชบอกว่าเกิดอีกดีเพราะยังไงไม่เกิดก็ชนะอยู่ดีค่ะอันนี้คือพูดตามเสียงข้างมากแต่ว่าอยาเราเคยคุยกันแล้วนะว่าเสียงข้างมากไม่ได้เป็นตัวที่จะการันตีว่า การตัดสินใจนั้นถูกหรือไม่ค่ะแต่แรกเราก็มาฟังพุทธวจนะดีกว่าพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ค่ะเกิดเป็นยังไงความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปทุกชาติอันนี้เป็นคําพูดที่พระเจ้าตรัสตอนที่สรู้แล้วนะนั่งอยู่ใต้คนไม้โพนี่ยพระอาทิตย์ริบๆขึ้นมายูมุมขอบฟ้าเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสคํานี้เลยอเนกชาติิสังสารังขึ้นมาค่ะั่คือคือแปลว่า การเกิดแล้วก็ดีเป็นเนกชาติการเกิดเป็นทุกรั้มไปทุกชาติทีนี้ถามว่าทำไมเป็นยางงั้นนะทำไมฉันยังไม่เห็นเข้าใจเลยฉันยังอยากเกิดอีกสักชาติสองชาติเพื่อที่จะให้เรียกว่าสวยความสุขให้เต็มที่ว่างั้นเถ อ, ะ, อะก็คือมันอยู่ที่ว่าคุณมีความเข้าใจในระดับไหนน ะ, ะอย่างเช่นว่าอายุเด็กอายุห้าขวบเขาก็เล่นตัวต่อเลโก้เนี่ยนะเขาก็คิดว่าตัวต่อเลโก้นี่มันจริงเป็นจังมากเลย นะต่อเป็นบ้านไปนยั ง, งอากาศโตขึ้นจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเป็นบินออกไปอวกาศอะไรต่า ง, นะงๆนานาจริงๆพอเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะไปทําอย่างอื่นอนะไรต่างๆนานาก็อยู่ที่เพื่อนชวนไปอีกแล้วมันก็ก็อยู่ที่ว่าเขาเห็นความจริงอะไรในตอนนั้นนะทีนี้ถามว่าแปลกหรือไม่นะแปลกไม่แปลกคือเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพระเจ้าเคยบอกอย่างี้คุณนมติ๋วก็บอกว่ามีบุคคลหนึ่งต้องการคิดความคิดเรื่องโลกที่อะไรแปลกๆเนี่ยจะไปหามาดู เราก็เลยไปนั่งคิดทบตัวไว้เราจะไปหาอะไรมาดูดีแล้วปรากฏว่าไปเจอนี่คุณยมติว๋ อ, อกองพลทั้งสี่คือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลเดินเท้าเนี่ยเหมือนกองทัพกองทัพหนึ่งอะนะเอา้าทําไมเข้ามาอยู่ในเงารากบัว <Huh. S 1> เขาเห็นตรงนี้แล้วเขาเลยเกิดความแปลกว่าโอ้ยมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเราคงบ้าไปแล้วลงตาฝาบแล้วก็เลยรีบกลับไปเมืองราชกรึกคุณยมติว๋ว <Huh. S 1> เร า, าไปเที่ยวประกาศให้คุณหนึ่งเขาฟังว่านี่ไปเห็นอะไรมา ชาวเมืองราชจัครึกที่ได้ยินเรื่องนี้นะก็หันเราะแล้วก็บอกโอ้เออดีละถูกละละเธอบ้าจริงจริงอ่าอันเรื่องเนี้พระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องบาบาบเพราะว่าในสมัยก่อนมีสงครามระหว่างเทพกับอสูรเทพกับอสูรปรากฏว่าในสมัยนั้นเ น, น, นอสูรแพ้อสูรก็หนีผ่านไปยังพบของอสูรทางเง่ารากบัวหลอกพวกเทพให้หลงค้นกันอยู่คือความแปลกพิสดารในโลกนี้มีไม่จํากัด มีมากจริงรเราจะไปเที่ยวหารู้นั่นนี่เนี่ยมันไม่จบพระเจ้าจึงแนะนำให้มารู้อริยสัจสีดีกว่านะเพราะรู้แล้วมันจ บ, บ, บเอาอย่างเรื่องประหลาดประาดในโลกนี้นะคุณยมติ๋วเคยดูหนัง The X Files ไ้ยเป็นซีรีส์ไม่เคยค่ะท่านคะเป็นคนดูภาพยนตร์น้อยคอ่ะที่เป็นละครเกี่ยวกับเรื่องประหลาดประหลาดเนี่ยเป็นเป็นนักสืบของเอฟบสองคน ไ <c oughs> นที่เขาเป็นพาร์ตเนอร์กันแล้วก็ไปเที่ยวสืบหาคดีนั้นกดีนีที่มันประหลาดประลาดเป็นมนุษย์ต่างด้าวบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็เป็นไฟล์ที่เรียกว่าคอนฟิเอนเชียรเก็บเงียบจริงๆ <c oughs> ก็แต่ก็ได้ข้อสรุปที่ที่มันจับต้องไม่ได้หรือว่าก็เป็นงงๆที่พูดไปแล้วคนึ่งเขาก็ไม่เชื่อคะ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่ดีเรื่องแปลกหรือแปลกนี่มีได้ไม่จบไม่สิน้นท <c oughs> ีนี้ความแปลกในโลกนี้มันมีได้ไม่จบไม่สิน้นคุณยมเตียว <c oughs> ความแปลกอย่างเช่นว่าเราเราอย่างที่พูดไปนะเรื่องของการสงครามในระหว่างเทพกับอสูรต่างๆนะเราก็ถ้าในตัวอย่างของสมัยปัจจุบันนี่ถ้าใครดูหนังเรื่อง t h X f i l e นะที่เป็นละครของเ อ, อ, อเมริกันเค้าเนี่ยนะที่มีเคสประหลาดๆของเจ้าหน้าที่ FBI ที่ทำเนี่ยก็มีเรื่องปแปลกๆตั้งนั้นเลยนะไอ้ความแปลกๆเหล่านี้เนี่ยมันมีได้ไม่จบไม่สิน้นนะพระเจ้าก็ยกตัวอย่างมาละ เพราะนั้นถามว่าเอ๊เราจะถ้าเราจะไปเที่ยวหาความแปลกๆนะหรือว่าเราจะไปตัดสินว่าคนนี้แปลกคนนี้ไม่แปลกเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานดีนะเรา<อ>ยกเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้เรายกเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าตามหาไปมันก็จะได้ไม่จบสัทีพระรูเจ้าบอกว่าให้มารู้เรื่องอริยสัจ4ก่อนนะเรายังไม่ต้องสงสัยเราว่าเกิดหรือไม่เกิดมันถึงจะแปลกหรือว่าเกิดดีหรือไม่เกิดดีคําถามนี้เรายกไปก่อนก็ได้นนะแต่ให้เธอมาเข้าใจก่อนว่าเธอเข้าใจความเกิดจริงไหม นะความเกิดคืออะไรเอ๊เราเข้าใจจริงหรือเปล่าความเกิดมีเหตุมาจากอะไรความเกิดเป็นมีโทษยังไงความเกิดมีความสุขยังไงความเกิดมีวิธีการเอาออกจากโทษของมันอย่างไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วคุณก็ตัดสินก็ได้ว่าคุณจะจะไม่เอาความเกิดดีหรือจะเอาความเกิดดีแค่นี้เองคนที่ไม่รู้เนี่ยนะคุณโยมติวอตมาว่าแปลกคือหมายว่าคนที่รู้ในกระบวนการอย่างนี้แล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการความเกิดนะ <Okay. S 2> อันนี้ก็คุณตัดสินใจได้แต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเสียตามาว่าแปลก mm hmm. เพราะว่าตัวเองไม่รู้แล้วไปตัดสินใจเนี่ยมันไม่ค่อยถูกอ่ะค่ะ <Okay. S 2> อืมทีนี้พอพอเป็นอย่างนี้พระเจ้าจึงบอกว่าให้ hey, รู้ในลักษณะของอริสสสีนะอ่ะ <Okay. S 2> อริสสสีหมายถึงอะไรรู้เหตุของมันรู้ตัวมันรู้ผลรู้วิธีแก่นะก็ง่ายๆแค่นี้เราถ้าเรารู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยนะด้วยการใช้หลัก อ, อริสสสีเนี่ยเราจะสามารถที่จะ เรียกว่าเข้าใจกระบวนการออกมาแล้วก็จะไม่ทุกข์มากนะเราก็จะมีความสบายใจด้วยถ้าเกิดว่าท่านกําลังตอบไม่เพียงแต่คุณปรีดาวันเท่านั้นคือในส่วนคุณปรีดาวันก็ตอบว่าอย่าไปเถียงกันเลยมาทําความเข้าใจอริยสัจสีดีกว่าใช่ท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกัน<ช>แปล ว, ว่าใช้ได้ทุกเรื่องหรือคะอริยาาสัจสี่สูตรเนี้ยคะ่ะถูกต้องใช้ได้กับทุกเรื่องเลยผู้ผู้ชายพูดถึงขันทั้งห้าขันทั้งหคือทุกเรื่องอยู่แล้ว คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักองนิยตสี่ในนิยตของกันทั้งห้าเราจะเข้าใจระบบโลกเราจะเข้าใจเรื่องการดําเนินงานเสร็จแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยในการทํางานของเราค่ะท่านฟังก็ได้ประโยชน์เลยนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองลองซีเอาสูตรพระพุทธเจ้านะคะพิจารณาอริยสัจใช่ทุกคืออะไรเหตุ ข, ของเขาคืออะไรวิธีที่จะดับดับได้ยอย่างไรนะคะแต่ถ้าดับแบบพระพุทธเจ้ามักแ8ดแล้วมักแปดใช้ได้ทุกเรื่องหรือเปล่าคะถูกต้อง คืออย่างนี้คือหมายความว่ามาร์กแเนี่ยมันเป็นทางกว้างๆไงคุณเดินอยู่บนทางนะทีนี้ในทางเนี่ยคุณอาจจะเดินเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้อย่างในอาชีพใดอาชีพหนึ่งนะไม่ว่าคุณจะเป็นตั้งแต่นักการเมืองจนถึงอะไรก็ได้จนถึงคนกวากถนนเนี่ยคุณเดินตามมาร์กแได้หมดทีนี้พระรูชาเขาก็จะไม่ได้บังคับว่าคุณอย่าไปทําอาชีพนั้นไม่ทําอาชีพนี้ก็พูดเป็นคร่าวๆว่าเออฆ่าอาวุธอย่าทำค่าเนื้อสัตว์อย่าทำพวกนี้นะเราเรายกไปก่อน นะ ค, คร่าวๆแต่ว่าอาชีพไหนที่คุณทำก็แล้วแต่ถ้าคือคุณเดินตามมักแ8ดได้ทั้งนั้นก็เป็นไกด์ไลน์กว้างๆได้หมดค่ะส่วนรายละเอียดของมักแปดเราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านอีกเรื่องที่ดิฉันก็เจอคนถามมาก่อนนะคะแต่ความที่สามารถความสามารถในการตอบเนี่ยคงไม่ดีเท่าพระอาจารย์ก็เลยต้องมาถามท่านดีกว่า mm hmm. อดิฉันไปบรรยายเนี่ยก็มีพี่ๆนายฐาน ฟังไปยิ้มไป ต, ตลอดเลยนะคะพอตอนจบปุ๊บมานั่งทานข้าวด้วยกันปรากฏว่าไอ้ที่ยิ้มเนะี่ยก็คือเขาขำบางอย่างก็คงไม่ค่อยเชื่อคะ่ะก็ไปพูดเรื่องพุทธวจะนะนี่แหล ะ, ะท่านก็เลยบอกว่าในโลกนี้นมีตั้งหลายศาสนาแล้วคนไม่เกิดเป็นชาวพุทธก็แย่เราก็ต้องเกิดต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จัก ว, วิธีการดับทุกข์อาจารย์จะตอบยังไงดีคะศาสนานี่คือคาสอนเฉยๆคือคาสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนพุทธเจ้าของเราเนี่นะคุณยมติวเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากตรงที่ว่ามันแบรกระจายไปทั่วค<ะ>อย่างเช่นว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นคําสอนพุทธเจ้านะอ<ะ>เป็นคํำสอนพุทธเจ้านะทีนี้ความไม่เที่ยงตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นคําสอนพุทธเจ้าอยู่ดีก็จะไหม<ะ>เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพูดคุณเป็นคนฝรั่งหรือเป็นคนอังกฤษล่ะคุณฟังมาจากใครคุณสาวไปพ่อผมบอกพ่อผมบอกพ่อคุณมาฟังมาจากใครพ่อฟังมาจากอาจารย์คนนี้เอาสาวไปอาจารย์คนนี้ฟังมาจากอะไร ามาจากใครเอาตายไปแล้วเหรอว่าไม่เวลาเอาไปถามเขาต่อแล้วเขายังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ฟังมาจากใครสาวไปสาวไ ป, วไปเราชเพราบว่ามาจากบุตรเจ้าเพระร น, นบุตรเจ้าจึงบอกงี้บอกว่าไม่ว่าคุณจะฟังธรรมเนี่ยจากตถาคตหรือคนที่ฟังต่อมาจากตาถาคตก็จะได้รู้ทําได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าพระสงฆ์อย่างเดียวนะที่จะมาช่วยกันเผยแผ่ ถ, ถ้าคุณฟังต่ อ, ต, อต่อมาแล้วอันนี้เป็นธรรมะของบุตรเจ้าก็ได้ผลเหมือนกัน แต่าะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเลเบลติดป้ายตัวเองว่าฉันชาวพุทธนะคุณชาวพุทธใช่ไหมคุณติดป้ายไว้ในบัตรประชาชนแต่คุณผิดศีลหรือเปล่าคุณเป็นชาวพุทธวันหนึ่งกี่นาทีแต่ตอนที่คุณไปด่าเขาออกทีวีหรือว่าโกงโกหโกพวกนี้คุณไม่ใช่ชาวพุทธนะคุณอย่าอย่าพูดนะออย่างเงี้ยแต่คนที่อาจจะติดป้ายตัวเองว่าฉันเป็นชาวคริสต์หรือเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ถ้าคุณปฏิบัติตามศีลโอ้โหคนนี้ควรยกย่องปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าแหมหน้ากราบจริงๆ <c oughs> อิงว่า ง, งั้นเลยอืม ท่านอาจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีไม่มีแคลไลนะคะบาลเดรีไม่มีขอบเขตสําหรับสัตว์ที่ยังมีผัสสะสำหรับสัตว์ที่มีผัสสะใช่พุทธเจ้าบอกว่าคําสั่งพระองค์เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ยังมีเวทนามีผัสสะใครมีผัสสะและยังมีเวทนามาต้องมารู้คําของตราคตใครบ้างคุณโยมติว่าคําถามในลักษณะนี้เนี่ยเด็กหญงสงสัยจะต้องท่องแล้วคือเหมือนกับว่า พอคนเขาเห็นเราศรัทธามากบางทีเขาก็ถามขำๆวมาคนไทยชอบชอบกวนนะแย่ชอบแซ์ชอบอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยหวังผลนะคะการตอบก็อยากจะตอบให้เขาไม่เสียโอกาสและยิ่งเป็นคนที่สําคัญนับถือคนที่เรารู้สึกแหนอยากจะปรารถนาดีกับเขาเนี่ยก็อยากจะตอบคําถามให้เขารู้สึกว่าเออมันใช่อนะคะความความความปรารถนาตรงเนี้ยของคุณโยมติ๋วเนี่ถูกต้องเลย พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดที่เป็นมิตรก็ตามอมหมายก็ตามเพื่อนหรือญาติสายโลหิตก็ตามเนี่ยที่เราพอที่จะบอกแล้วเขาจะเชื่อฟังเนี่ยควรจะชักชวนให้เขามารู้ในอริยสัจ ส, สี่ค่ะอันนี้บอกเกพียนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อท่านเบุญครับจะว่าไปดิฉันเองก็เคยเห็นวิธีการสอนของหลวงพ่อวิริยังค่อาจรย์พานท่านจะพยายามให้คนนั่งสมาธิกันเยอะๆอเพราะว่าท่านเห็นว่าโลกเนี่ยไม่มีสันติสุขเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่ทีนี้คนที่ท่านสอนท่านไม่เลือกว่าจะอยู่ในศาสนาใดไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแต่ท่านก็จะสอนวิธีปฏิบัติแต่ในการปฏิบัติก็จะมีความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาเนี่ยสอนด้วยซึ่งที่ฉันก็เห็นฝรั่งส่วนใหญ่นะคะที่มาก็ศรัทธาศรัทธามากเลยนะคะ <c oughs> ไม่แม้คงจะพอตอบคาถามได้ว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นไม่ได้จำกัดเรื่องศาสนาที่ท่านทั้งหลายนับถือเพราะสมัยก่อนยังไม่มีใช่คือศาสนาเนี่ยเป็นการแบ่งในภายหลังเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมุติเราไปเสิร์ชคำว่าศาสนาในในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะไม่เจอเลยนะคุณยมติวผู้ทีนะ่เจาจะเรียกคำสอนของพระองค์ว่าคำสอนบ้างเรียกคาสอนของพระองค์ว่าธรรมวินัยบ้าง เนะีเพราะว่ามันมีต้อง62ศาสนาแล้วสมัยที่บุเชา่ตรัสสรุตธรรมนะนั่นคือที่62ดิฉันว่าถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าศาสนาที่มีคนนับถืออันนี้อย่างไรเสียเราเป็นคนยุคปัจจุบันยังมีคำว่าศาสนาอยู่นะค ะ, ะเพื่อให้เข้าใจง่ายทั่วถึงเช่นเดียวกันดังนั้กอาจจะต้องพูดคำว่าศาสนาก่อนได้ได้ ว, ไดวันนี้เนี่ยมีศาสนาใหญ่ๆอยู่ในประเทศอในโลกเนี่ยนะคะก็ไม่กี่ศาสนาแร้วนะคะออืแล้ว คนส่วนใหญ่ก็ถ้านับถือศาสนาใดก็แปลว่าศรัท ธ, ธาและศรัท ธ, ธาเพราะอะไรเพราะจำนวนในคำสอนอคำสอนที่คนทุกๆคนจำนวนเช่นเดียวกันเป็นเป็นธรรมเดียวกันไม่ใช่เป็นความจริงเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่าค ะ, ะคือการที่สัตบุคคลในบุญคลหนึ่งศรัทธาเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เพราะคำสอนก็ได้นะค่ะอาจจะเป็นเพราะเหตุแห่งความกาหนัด เหตุแห่งความโกรธเหตุแห่งความรักได้หลายอย่างอนะ๋ออันนี้เป็นพุทธวจนะเหรอคะใช่คืออย่างคนที่มาศรัทธาคือเราดูตัวอย่างก็ได้ในสมัยพุทธกาลคนที่มาศรัทธาพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคําสอนก็มีอย่าคนที่มาศรัทธาพระเจ้าเพราะความความเห็นก็มีคําสอนก็มีนะศรัทธาเพราะว่าความเห็นรูปแล้วโอ่งดงามเลยเดินตามมาก็มีนะเพราะฉะนั้นพอมันก็หลายเหตุนะ ทีนี้เราเรากลังพูดถึงประเด็นที่ว่าคุณหาที่พึ่งอะไรคหาที่พึ่งอะไรคือพระเจ้าบอกว่าคนที่ถูกความกลัวนั้นถูกความกลัวถูกต้องความกลัวแล้วเนี่ยก็ยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างว่าเป็นที่พึ่งคเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีที่สุดะจนกระทั่งมาพราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยเหตุว่าคุณต้องถูกความทุกข์สักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความรักนี่ก็ตามเป็นความทุกข์เหมือนกันค่ะ เพราะว่าถ้าจะสนทนากับท่านต่อไปเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ที่ฉันขออนุญาตถามว่าธรรมที่เรากําลังศึกษากันอยู่และพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สอนเอาไว้เนี่ยธรรมนี้ให้คําจํากัดความสั้นๆคืออะไรคะทำไมานี่ก็คือความความจริงอย่างหนึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นระบบของความจริงที่พระุทจ้าบอกว่าควา ม, วามจริงของทุกคนไหมคะหรือว่าเป็นความจริงของเฉพาะผู้ศรัทธา ความจริงของในสังสารวัตนี้ความจริงของในสังสารวัตน์นี้ผู้ทีชาบอกความขี้เกยียจเป็นสิ่งไม่ดีต้องละนี่เป็นความจริงนะเป็นธรรมะนะเพราะฉะนั้นถ้า ค, ความขี้เกยียจคุณไปอยู่ในใจของจิตดวงไหนมีแต่ความแยกกับแย่ค่ะอะมันก็สรุปว่าเราได้ความหมายของทําไมถึงอ่าใช้ได้กับทุกๆคนก็เพราะว่าเป็นความจริงบนโลกใบนี้ที่ยังมีการเกิดแก่เจบตายในสังสารวัฏ ใ, ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะวันนี้เราสรุปเท่านี้ได้ไหมคะเพราะว่าเวลาหมด ค่ะท่านคะนะค ะ, คะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านไพบูลพระไพบูลที่คุณโ น, โนจากวัดป่าดอนหายโศกคุดรนทา น, นเป็นอย่างยิ่งนมัส ก, การท่านค่ะเจริญพานขึ้นฝั่งที่รบคะและนี่คือรายการสัสนิษฐานะนะคะดิฉันสันนิษฐานะน่าภูมค่ะความจริงจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเชื่อยอมรับแล้วก็โลกแบบโดยปฏิเสธเราก็จะไม่มี ความสุขนะคะความจริงแห่งชีวิตเราพบได้ในคำสอนของพระศาสดาตอนแรกท่านอาจจะยังเพลือบแคลงแต่เมื่อท่านได้น้อมไปไข้ครวนไปธรรมวิจยะไปวิเคราะห์ในธรรมแล้วจะเป็นสิ่งที่ท่านประจักษ์ได้ด้วยตัวเองก็ลองไปใช้ธรรมวิจยะกันนะคะรายการนี้เราจะมาพบกับท่านเป็นประจำตั้งแต่ตีหถึงตีห้ครึ่งของทุกวันใครที่อยากจะไข้ครวนคำพระศาสดาโทรมาที่0นง 269-0006 ขอรับหนังสือพุทธวัจนะที่ท่านอาจารย์คือคริสโสติพโลมอบให้ไปใครที่จะถามคำถามส่งมาที่เพียวธรรมะ .com/ 1 0 6ถึงตรงที่พอาจารย์ไพบูลก็ได้นะคะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพุทธวัจนสวัสดีค่ะ